ธรรมบทแปลเรื่องที่153เรื่องโรหิตชื่ออคิทัตข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันประทับนั่งบนของทายส่งปรารพโปรหิตของพระเจ้าโกศลชื่ออคิทัตตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าบะุุงเวสรนังยันติ เป็นต้นตอนอากิทัตได้เป็นโปรหิตถึงสองรัชกาลดังได้สดับมาอคกิทัตนั้นได้เป็นโปรหิตของพระเจ้ามหาโกศลครั้นเมื่อพระราชบิดาสวรรค์ก็แล้วพระราชาทรงพระนามว่าประสิทธิโกศลทรงดําริว่าผู้นี้เป็นโปรหิตแห่งประชาชนอของเรา จึงตั้งเขาไว้ในตำแหน่งนั้นนั่นแลด้วยความเคารพในเวลาเขามาสู่ที่บำรุงของพระองค์ทรงทำการเสด็จลุกรับรับสั่งให้พระราชทานอาสนะเสมอกันด้วยพระดำรัสว่าอาจารย์เชิญนั่งบนอาสนะนี้ตอนอักขิทัน์ออกบวชนอกพระพุทธศาสนาอักขิทัน์นั้นคิดว่า พระราชานี้ทรงทำความเคารพในเราอย่างเหลือเกินแต่เราก็ไม่อาจเอาใจของพระราชาทั้งหลายได้ตลอดการเป็นนิสเทียวอันหนึ่งพระราชาก็ยาววัยยังหนุ่มน้อยชื่อว่าความเป็นพระราชากับด้วยคนผู้มีวัยเสมอกันนั่นแหลเป็นเหตุให้เกิดสุขส่วนเราเป็นคนแก่เราควรบวช เขากราบทูนให้พระราชาพระราชทานพระบรมราชานุ ญ, ญาตการบรรพชาแล้วให้คนตีกรองเที่ยวไปในพระนครแล้วสละทรัพย์ของตนทั้งหมดในมุก ค, คือทานโดยเจ็ดวันแล้วบวชเป็นนักบวชภายนอกบุรุษหมือนหนึ่งอาศัยอคกขิทัศนนั้นบวชตามแล้วอคกขิทัศนนั้นพร้อมด้วยนักบวชเหล่านั้น สำเร็จการอยู่ในระหว่างแคว้นอังคะแคว้นมคธและแคว้นกุรุต่อกันให้โอวาดนี้ว่าพ่อทั้งหลายบรรดาเธอทั้งหลายผู้ใดมีการมาวิตกเป็นต้นเกิดขึ้นผู้นั้นจงขนหม้อซ้ายหม้อหนึ่งหนึ่งจากแม่น้ำมาเคลียลงณที่นี้พวกนักบวชเหล่านั้นรับว่าดีละ ในเวลากามาวิตกเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วก็ทำอย่างนั้นโดยสมัยอื่นอีกได้มีกองทรายใหญ่แล้วนาคราชชื่ออหิชั ต, ตะห่วงแหนกองทรายใหญ่นั้นชาวอังคามคตและชาวแคว้นกุรุนำเครื่องส ก, การะักเป็นอันมากไปถวายทานแก่พวกนักบวชเหล่านั้นทุกๆุกเดือนตอน อาคิทัสอนประชาชนให้ถึงสารนะครั้งนั้นอาคิทัศได้ให้โอวาทแก่ชนเหล่านั้นดังนี้ว่าพวกท่านจงถึงภูเขาเป็นสารนะจงถึงป่าเป็นสาสนะจงถึงอารามเป็นสารนะจงถึงต้นไม้เป็นสารนะพวกท่านจากพ้นจากทุกทั้งสิ้นได้ด้วยอาการอย่างนี้ กล่าวสอนแม้ซึ่งอันเตวาสิของตนด้วยโอวาทนี้เหมือนกันตอนพระมหาโมคคลานะไปทรมานอคิทั์ฝ่ายพระโพธิสัตว์เสด็จออกมหาพิเนศกรมทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิแล้วในสมัยนั้นทรงอาศัยกรุงสาวัตถีประทับอยู่ในพระเชตวันในเวลาจวนรุ่ง ทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอคิทัดพรามพร้อมด้วยเหล่าอันเตวาสิกผู้เข้าไปภายในข่ายคือพระยานของพระองค์แล้วทรงทราบว่าชนเหล่านี้แม้ทั้งหมดเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหัสตในตอนเย็นตรัสกับพระมหาโมคลนะโมคลานะเถระว่าโมคคลานะเธอเห็นอคิทัพราม โอยังมหาชนให้เล่นไปโดยทางไม่ใช่ท่าไหมเธอจงไปให้โอวาทแกมหาชนเหล่านั้นพระเถระข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชนเหล่านั้นเป็นนั้นมากข้าพระองค์ผู้เดียวพึ่งข่มขี่ไม่ได้ถ้าแม้พระองค์จักเสด็จมาใชชนเหล่านั้นจักเป็นอันพึงข่มขี่ได้พระศัสดา โมคลานะแม้เราก็จักมาเธอจงล่วงหน้าไปก่อนพระเถระกำลังเดินไปเที่ยวพลางคิดว่าชนเหล่านั้นทั้งมีกำลังทั้งมีมากถ้าเราจะพูดอะไรอะไรในที่ประชุมของชนทั้งปวงซ้ายชนแม้ทั้งหมดพึ่งลุกขึ้นโดยความเป็นพวกพวกกันยังฝนมีเม็ดหยาบ ให้ตกลงแล้วด้วยอนุภาพของตนชวนเหล่านั้นเมื่อฝนมีเม็ดหยาบตกอยู่ต่างก็ลุกขึ้นแล้วขึ้นแล้วเข้าไปยังบรรณศาลาของตนของตนพระเถระยืนอยู่ที่ประตูบรรณศาลาของอคิทัศน์กล่าวว่าอาคิทัศน์เขาได้ยินเสียงของพระเถระแล้วกล่าวว่านั่นเป็นใคร เพราะความเป็นผู้กระด้างพระมานะว่าในโลกนี้ใครใชื่อว่าผู้สามารถเรียกเราโดยออกชื่อไม่มีใครหน่อแลเรียกเราโดยออกชื่อพระเถระข้าพเจ้าพราหมณ์อคิทัตท่านพูดอะไรพระเถระขอท่านจงบอกสถานที่พักอยู่ในที่นี้แก่ข้าพเจ้าสิ้นคืนหนึ่ง ในวันนี้อากิทัตสถานที่พักอยู่ในที่นี้ไม่มีปัญหาศาลาหลังหนึ่งก็สําหรับคนหนึ่งเท่านั้นพระเถรรักอาิทัตธรรมดาพวกมนุษย์ย่อมไปสู่สํานักของพวกมนุษย์พวกโคก็ไปสู่สํานักของพวกโคพวกบรรพชิตก็ไปสู่สํานักของพวกบรรพชิต ท่านอย่าทำอย่างนั้นขอจงให้ที่พักอยู่แก่ข้าพเจ้าอาคกิทัตก็ท่านเป็นบรรพชิตหรือพระเถระเออข้าพเจ้าเป็นบรรพชิตอคกิทัตถ้าท่านเป็นบรรพชิตไซสิ่งของคือสาหรกบริการแห่งบรรพชิตของท่านอยู่ไหนพระเถระ บริขารของข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าคิดเห็นว่า ก, การถือบริการ น, นั้นเป็นแผนกเที่ยวไปลำบากดังนี้แล้วจึงถือบริขาร น, นั้นไว้โดยภายในนั่นแลเที่ยวไปพรามพรามนั้นโกรธพระเถราว่าท่านจักถือบริการ น, นั้นเที่ยวไปหรือลำดับนั้นพระเถระจึงพูดกับเขาว่าจงหลีกไป อคิตัท่านอย่ากโกรธข้าพเจ้าจงบอกสถานที่พักอยู่แก่ข้าพเจ้าอาคิทัตสถานที่พักอยู่ในที่นี้ไม่มีพระเถระก็ใครอยู่บนกองทรายนั่นอคิทัตนาคราตตัวหนึ่งพระเถระท่านจงให้ที่นั่นแก่ข้าพเจ้าอาคิทัตข้าพเจ้าไม่อาจให้ได้ กรรมของนาคราชนั้นร้ายกาจพระเถระช่างเถอะขอท่านจงให้แก่เราเถิดอักขิทัตถ้าเช่นนั้นท่านจงรู้เองเถิดตอนพระเถ ร, ระเผชิกับนาคราชพระเถระผินหน้าตรงกองทรายไปแล้วนาคราชเห็นพระเถระนั้นมาจึงดํารีว่า พระสมณะนี้มาข้างนี้เห็นจะไม่ทราบความที่เรามีอยู่เราจะบังหวนควันให้สมณะนั้นตายบังหวนควันแล้วพระเถระคิดว่านาคราชนี้เห็นจะเข้าใจว่าเราเท่านั้นอาจบังหวนควันได้พวกอื่นย่อมไม่อาจตังนี้แล้วบังหวนควันแม้เอง ควันทั้งหลายพุ่งออกจากสรีระแห่งหนาคราชและพระเถระแม้ทั้งสองฝ่ายตั้งขึ้นจนถึงปรมโลกควันทั้งสองฝ่ายไม่เบียดเบียนพระเถระเบียดเบียนแต่นาคราชฝ่ายเดียวนาคราชไม่อาจทนกำลังแห่งควันได้จึงโปงเป็นไฟฝ่ายพระเถระเข้าสมาบัติมีเตโชธาตุเป็นอารมณ์แล้ว โพร่งเป็นไฟพร้อมกับนาคราชนั้นเหมือนกันเปลวไฟพุ่งขึ้นไปจนถึงปรมโลกเปลวไฟแม้ทั้งสองฝ่ายไม่เบียดเบียนพระเถระเบียดเบียนแต่นาคราชฝ่ายเดียวตอนนาคราชแพ้พระเถระลําดับนั้นสิริระทั้งสิ้นของนาคราช น, นได้เป็นราวกับว่า ถูกคบเพลิงทั้งหลายหล่นทั่วแล้วมูรษีแย่ดูแล้วคิดว่านาขราชเผาสมณะสมณะคนดีหนอไม่เชื่อฟังคำของพวกเราจึงฉิบหายแล้วพระเถระทรมานนาขราชทำให้หมดพยศแล้วนั่งบนกองทรายนาขราชเอาขนดรวบกองทราย แผ่พังผ่านประมาณเท่าห้องโถงแห่งเรือนยอดกั้นอยู่แล้วเบื้องบนแห่งพระเถระหมูร่รษีไปยังสำนักของพระเถรรแต่เช้าตรู่ด้วยคิดว่าพวกเราจะรู้ความที่สมณะตายแล้วหรื อ, อยังไม่ตายเห็นท่านนั่งอยู่บนยอดกองทรายแล้วประคองอัญชลีชุ่มเชย อ, อยู่กล่าวว่าสมณะ นาคราชไม่เบียดเบียนท่านแลหรือพระเถระท่านทั้งหลายไม่เห็นหนาคราชแผ่พังพานดำรงอยู่เบื้องบนเหงเราหรือฤาษีเหล่านั้นพูดกันว่านาอัศจรรย์หนอท่านผู้เจริญอนุภาพแห่งสมณะชื่อเห็นปานนี้พระสมณะนี้ทรมานนาคราชได้แล้วได้ยืนล้อมพระเถระอยู่แล้ว ในขณะนั้นพระสัสดาเสด็จมาแล้วพระเถระเห็นพระสัสดาแล้วลุกขึ้นถวายบังคมลำดับนั้นฤาษีทั้งหลายพูดกับพระเถระนั้นว่าสมณะนี้เป็นใหญ่แม้กว่าท่านหรือพระเถระพระผู้มีพระภาคนั่นเป็นพระสัสดาขปเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคนี้ ตอนพวกฤาษีชมเชยพระศัสดาพระศัสดาประทับนั่งบนยอดกองทรายแล้วมูฤาษีประคองอัญชลีชมเชยพระศัสดาว่าอานุภาพของสาวกยังถึงเพียงนี้ส่วนอนุภาพของพระศัสดานี้จะเป็นเช่นไรพระศัสดาตรัสเรียกอคีธาตุมาแล้วตรัสว่า อักิทัตท่านเมื่อให้อวาแกสาวกและอุปถักตทั้งหลายของท่านย่อมกล่าวว่าอย่างไรให้อักิทัตข้าพระองค์ให้โอวาทแกสาวกและอุปถากเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงถึงภูเขานั่นว่าเป็นที่พึ่งจงถึงป่าอารามจงถึงต้นไม้ว่าเป็นที่พึ่งด้วยว่า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 พระธรรมพระสงค์ว่าเป็นที่พึ่งย่อมพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะทั้งสิ้นได้ดังนี้แล้วได้ทรงพาสิทธิพระคาถาเหล่านี้ว่าบหุ่งเวสรณังยันติปับบตานิวนานิจะอารามารุขคเจตยานิมนุษสาพยัตชิตาเนตังโคสรณังเขมัง เนตังสรณมุตตมังเนตังสรณะมากมะสับบาโดขะปมุจติโยจะบุษฐันจะทำมันจะสร้างขัญจะสราังกโตจะตาริอริยสัจญานิสั้มัพปัญญายปสติดุกขั้งดุขะสมุปปาดังดุขสะจะอติกมังอริยจะทั้งยิกังมกัง ดูคู่ปะสมกามินังเอตังโคสารนังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณามะกามะสบะบาโดฆะพมุตติมนุษย์เป็นนันมากถูกภัยคุกคามแล้วย่อมถึงภูเขาป่าอารามและรุขเจดีว่าเป็นที่พึ่งสรระนั่นแล ไม่เกษมสารณะนั่นไม่อุดมเพราะบุคคลอาศัสสารณะนั่นย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งย่อมเห็นอริยสัจส์่คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์และมักมีองค์แดอันประเสริฐซึ่งยังสั์ใหถึงความสงบแห่งทุกข์ ด้วยปัญญาชอบสรร ะ, ะนั่น แ, แลของบุคคลนั้นเกษมสรณนะนั่นอุดมพระบุคคลอาศัยสรณ ะ, ะนั่นย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้ตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าบหุ่งได้แก่บหูแปลว่ามากบทว่าปะปะตานี้เป็นต้นความว่า มนุษย์เหล่านั้นเหล่านั้นอันภัยนั้นๆคุ้คามแล้วอยากพ้นจากภายัยหรือปรารถนาลาภทั้งหลายมีการได้บุตรเป็นต้นย่อมถึงภูเขาทั้งหลายมีภูเขาชื่ออิสิกิริเวปุลละและเวภาระเป็นต้นป่าทั้งหลายมีป่ามหาวันและป่าโคสิงคสาษาละวันเป็นต้นอารามทั้งหลาย มีเวรุวันและชีวกรรมพวันเป็นต้นและรุขเจดีทั้งหลายมีอุเทนเจดีและโคตมะเจดีเป็นต้นในที่นั้นๆว่าเป็นที่พึ่งสองบทว่าเนตังสรนังความว่าก็สรณะแม้ทั้งหมดนั่นไม่เกษมไม่อุดมด้วยว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลาย ผู้มีความเกิดเป็นต้นเป็นธรรมดาแม้ผู้หนึ่งอาศัยสรณะนั่นย่อมไม่พ้นจากทุกทั้งปวงมีชาติเป็นต้นได้ความว่าโยจะเป็นต้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงสรณะอันไม่กเกษมไม่อุดมแล้วปราลบไว้เพื่อจะทรงแสดงสรณะอันกเกษมอันอุดมเนื้อความแห่งคําว่าโยจะเป็นต้น ดังต่อไปนี้ส่วนบุคคลใดเป็นครือข่าก็ตามเป็นบรรพชิตก็ตามอาศัยกรรมฐานคือการตามระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นต้นว่าแม้เพราะอย่างนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง โดยสามารถแห่งความเป็นวัตถุอันประเสริฐการถึงสารณ ะ, ะนั้นของบุคคลแม้นั้นยังกำเริบยังหวันไหวด้วยกิจทั้งหลายมีการไหว้เดร ถ, ถีเป็นต้นแต่พระผู้มีพระภาคเพื่อจะทรงแสดงความที่การถึงสารณ ะ, ะนั้นไม่หวันไหวเมื่อจะทรงประกาศสารณ ะ, ะอันมาแล้วโดยมักนั้นแลจึงตรัสว่า ย่อมเห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาชอบด้วยว่าบุคคลใดถึงรัตนทั้งหลายมีพระพุทธรัตนเป็นต้นนั่นว่าเป็นที่พึ่งโดยสามารถแห่งการเห็นสัจจาเหล่านั้นสรณะนั้นของบุคคลนั้นเกษมและอุดมและบุคคลนั้นอาศัยสรณะนั้นย่อมพ้นจากทุกในวัฏะแม้ทั้งสิ้นได้ เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเอตังโคสระนังเข้มังเป็นต้นในการจบเทศนาหรือสีเหล่านั้นแม้ทั้งหมดบรรลุอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายแล้วถวายบังคมพระสัสดาทูลขอบรรพชาแล้วพระสัสดาทรงเหยียบพระหัตต์ออกจากกลีบจีวรตรัสว่า ท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดจงประพฤติปรมจันตอนชาวเมืองเข้าใจว่าอาคิทัตใหญ่กว่าพระสัสดาในขณะนั้นเองฤาษีเหล่านั้นได้เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งบริขารแปดดุจพระเถรรมีพันษาตั้งร้อยก็วันนั้นได้เป็นวันที่ชาวแคว้นอังคะแคว้นมคต และแคว้นกุรุแม้ทั้งปวงถือเครื่องสการะมาชนเหล่านั้นถือเครื่องสการะมาแล้วเห็นลือสีเหล่านั้นแม้ทั้งหมดบวชแล้วคิดว่าอาคกขิทัตพราหมณ์ของพวกเราเป็นใหญ่หรือพระสมณะโคดมเป็นใหญ่หนอได้สําคัญว่าอาคกขิทัตเป็นใหญ่แน่เพราะเหตุที่พระสมณะโคดมมาหา ตอนอากิทัตตัดความสงสัยของชาวเมืองพระศัสดาทรงตรวจดูอัธยาศัยของชนเหล่านั้นแล้วตรัสว่าอคกิทัตเธอจงตัดความสงสัยของบริษัทพระอคกิทัตนั้นกราบทูลว่าแม้ข้าพระองค์ก็หวังเหตุมีประมาณเพียงนั้นเหมือนกันดังนี้แล้วหอขึ้นไปสู่เวหา ด, ด้วยกำลังฤทธ แล้วลงมาถาวายบังคมพระศาสดาบ่อยๆถึงเจ็ดครั้งแล้วกล่าวประกาศความที่ตนเป็นสาวกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเป็นพระศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกดังนี้แลเรื่องพุโรหิตชื่ออคีทัศก